สีวิธีสู้กิเลสวงเล็บเปิดเจพฤศจิกายน25งพันหาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็ปิดมีคนถามหลวงพ่อว่าพระหรือครูบาอาจารย์เคยสอนว่าเห็นกิเลสก็ต้องต่อสู้ต้องละทําไมหลวงพ่อบอกว่ากิเลสให้รู้เมื่อวานตอบว่าธรรมะมันมีหลายขั้นมีหลายระดับธรรมะมันก็มีตั้งแต่เครื่องมือในการรู้กิเลสนะก็มีตั้งแต่ทานก็สู้กิเลสได้ ทำทานก็สู้กับมัจฉริยะในวงเล็บความหวงแหนอย่างเรามีวัตถุสิ่งของเราหวงแหนเราก็หัดให้เสียบ้างเรามีความรู้บางคนหวงความรู้นะเพื่อนขอยืมเลคเชอร์ไปดูก็ไม่ให้หวงเนี่ยหัดให้เสียบ้างให้ความรู้ลดความตระหนีหวงแหนต้องต่อสู้กับกิเลสตัวเองหรือศีลศีลก็เป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสศีลต้องอาศัยเจตนางดเว้นถึงจะเป็นศีล ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยเป็นชู้กับใครไม่ได้ไม่ถือว่าเด็กแรกเกิดมีศีลข้อสาต้องมีความพร้อมที่จะเป็นชู้กับเขาได้แล้วตัดใจไม่เป็นชู้ตัดใจได้ข่มใจได้มีเจตนางดเว้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามันมีศีลอันนี้ก็ใช้ข่มใจเอาสมาธิก็เป็นเครื่องสู้กับกิเลสสู้แบบของสมาธิจิตฟุง้งซ่านขึ้นมาก็หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างนี้จิตก็สงบจิตเกิดราคะขึ้นมา ก็พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหรือพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลพิจารณาความตายอะไรอย่างนี้การพิจารณาเหล่านี้มันก็ขมราคะได้ชั่วคราวจิตมีโทสะก็เจริญเมตตาไปอันนี้ก็สู้ด้วยสมาธิหรือด้วยการกำหนดความโกรธเกิดขึ้นก็กำหนดพุดโทโธพุโทโธโกรธหนอโกรธหนอหน อ, อะไรอย่างนี้ความโกรธก็หายไปนี่ก็สู้ด้วยสมาธิส่วนสู้ด้วยปัญญานเนี่ยใช้การเจริญวิปัสสนา มีสติรู้ลงไปสภาวะใดๆเกิดขึ้นเรียนรู้เขาเข้าไปจนเข้าใจเขาแล้วปล่อยวางเข้าไปได้การทำวิปั ส, สนาเนี่ยที่จะนำเราข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆลำพังสู้ด้วยทานสู้ด้วยศีลสู้ด้วยสมาธิยังไปไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะสละทรัพย์สมบัติออกมานเนี่ยใครจะได้ก็เอาไปใครจะเป็นกษัตริย์ต่อก็ไม่ว่าสละออกไปเหมือนทาทานแล้วแล้วท่านก็ถือศีลของท่าน ไปหาฤาษีชีพรก็ไปฝึกสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีต่อสู้ที่ชาวโลกเคยรู้จักมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถเป็นอะไรจนวันสุดท้ายท่านมาเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าก็เจริญสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเป็นทางเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านไม่เคยสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสําหรับสาวกตัวท่านไม่ต้องเดินสติปัฏฐานนะไม่เคยพูดสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าใช้นะใช้ทำมานุปัสสนา ใช้อริยสัจจบัรพะบรรพะสุดท้ายเลยลึกซึ้งยากที่สุดพวกเราเวลาอ่านพุทธประวัติเราก็นึกว่าท่านคิดเอาเช่นท่านคิดเอาว่าเอ้มีอะไรอยู่ทุกถึงมีก็มีชาติอยู่ทุกถึงมีอะไรมีอยู่ชาติถึงมีอยู่อุปทานมีอยู่ชาติถึงมีอยู่คิดว่าท่านคิดเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาแต่ท่านเห็นสภาวะมันต้องมีสภาวะธรรมรองรับยังความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยต้องเห็นจริงๆ เห็นในความที่จิตเข้าไปยึดไปเกาะในธาตุในขันมีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหยิบฉวยเอาขึ้นมาต้องมีสภาวะที่รองรับไม่ใช่คิดอยู่กลางอากาศลำพังคิดกลางอากาศพวกเราก็คิดได้ใช่ไหมเราก็คิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่บรรลุอะไรแต่ท่านดูโดยมีสภาวะมารองรับค่อยสังเกตนะทวนทว น, ทวนทำความเข้าใจสภาวะจนกระทั่งถึงอะไรมีอยู่สังขารถึงมีอยู่อวิชามีอยู่ อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจมีอยู่ความปรุงแต่งถึงมีอยู่ถ้าไล่นะพระพุทธเจ้าพอเราไล่มาถึงอวิชชามันก็ทบทวนกลับขึ้นมาเพราะความดับไม่เหลือของอวิชชาสังขารถึงดับเพราะความดับไม่เหลือของสังขารวิญญาณถึงดับท่านไล่ท่านดูสภาวะรองรับมันนะพระพุทธเจ้าบางองค์ไล่ลงไปไม่ถึงอวิชชาพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสสภูจะไล่ไม่ถึงอวิชชา ท่านไล่ถึงวิญญาณเองอะไรมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่อะไรดับไม่เหลือนามรูปจึงดับไม่เหลือเพราะสัญญาดับไม่เหลือนามรูปจึงดับไม่เหลือมาถึงตรงนี้ท่านบรรลุแล้วความจริงลึกลงไปกว่าอวิชชาก็ยังมีอีกอันหนึ่งมีอาสวะอะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อะไรดับไม่เหลืออวิชชาจึงดับอาสวะดับไม่เหลืออวิชชาจึงดับ แต่ว่ามีสภาวะรองรับทั้งสิ้นนะไม่ใช่คิดเอาสภาวะของอาสวะก็มีสภาวะของอวิชชาก็มีอวิชชาสภาวะของมันก็คือตัวโมหะสังขารมันก็คือบรรดาเจตสิกธรรมทั้งหลายวิญญาณก็คือวิญญาณขันคือตัวจิตนามรูปก็ทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามนะมีผัสสะก็อาศัยรูปอาศัยนามกระทบกันขึ้นมาเกิดเวทนา เวทนาองค์ธรรมของมันก็เป็นนามธรรมตัณหาก็เป็นนามธรรมอุปาทานก็เป็นนามธรรมภพก็เป็นนามธรรมเป็นการทํางานของจิตชาติเป็นการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยรูปธรรมและนามธรรมความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทก็มีแต่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเองผู้ใดเข้าใจปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระโสดาบันก็เข้าใจปฏิสมุปปาบาทแต่เข้าใจแบบพระโสดาบันอย่างพระอานนุ์เคยไปทูลพระพุทธเจ้าบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดข้าแต่พระองค์พูดจเจริญปฏิจจสมุปปาบาทที่พระองค์บอกว่าลึกซึ้งมากนะปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นๆปิดเครื่องหมายคำพูดไม่เห็นมีอะไรเลยก็เห็นอยู่นี่พอกระทบอารมณ์ปุ๊บเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาจิตทํางานขึ้นมา ความทุกข์ก็เกิดขึ้นพระอ น, นุน์ก็เห็นพวกเราหลายคนที่ภาวนาก็เริ่มเห็นตรงนี้พระพุทธเจ้ากลับห้ามบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดอย่าคิดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกซึ้งนักเพราะสัตว์ที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกปิดเครื่องหมายคำพูดพระอา น, นุน์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนั้นยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นยังไม่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทอย่างแท้จริง จะรู้แจ้งปฏิจจสมุประบาทอย่างแท้จริงมันต้องแจ้งเข้าไปจนถึงอวิชชาจะทวนลงไปลงไปนะหัดทีแรกก็จะเห็นปฏิจจสมุประบาทท่อนปลายไม่เห็นท่อนต้นหรอกถ้าบันไดแทงตลอดลงถึงอวิชชาเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาวิชชาดับสังขารก็จริงสังขารดับวิญ ญ, ญาณก็ดับจริงๆตัวปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยธรรมะมีความละเอียดลึกซึ้งนะ ถ้าเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งก็จะพ้นทุกจริงพ้นกิเลสจริงๆฉะนั้นเครื่องมือในการปฏิบัติมันมีหลายตัวสู้กิเลสมีหลายแบบสู้ด้วยการไปข่มเอาไว้ก็มีสู้ด้วยธรรมะที่เป็นคู่ปรับก็มีสู้ด้วยการทำสมาธิขึ้นมาข่มใจให้นิ่งกิเลสเข้ามาไม่ได้ก็มีสิ่งที่คนสู้กันนี่มีสองพวกพวกหนึ่งก็คือเข้าไปจัดการดับตัวกิเลสอีกพวกหนึ่งรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาแผ้วพาน พระพุทธเจ้าค้นพบวิธีที่สามคือการสู้กิเลสด้วยจิตที่เป็นกลางนี่เป็นวิธีที่อัศจรรย์นะส่วนวิธีที่เข้าไปจัดการกิเลสนี่คนเขาก็ทํามาเยอะแล้วพวกนิครนเขาก็ทำอย่างอยากกินข้าวเหรอก็ไม่กินข้าวมันรักร่างกายมากเหรอนอนมันบนตะปูเลยเขาก็ทํามาแล้วนี่ก็สู้กิเลสเหมือนกันก็สู้ไปตามสติตามปัญญาของแต่ละคนบางพวกก็ทําสมาธิข่มกิเลสด้วยการรักษาจิตเอาไว้ กิเลสเข้ามายั่วยวนจิตไม่ได้จิตสงบนิ่งอยู่กิเลสเข้ามาไม่ได้นี่พวกนี้รักษาจิตเอาไว้พวกที่เข้าไปต่อสู้กับกิเลสนี่พวกหนึ่งพวกรักษาจิตไม่ให้กิเลสเข้ามาแผ่พานนี่ส่วนหนึ่งพวกที่เรียนรู้ความจริงของจิตและกิเลสอีกพวกหนึ่งนะเราจะเรียนเข้ามาให้ถึงอันดับที่สามลำพังต่อสู้กับกิเลสก็ต้องต่อสู้ไปทั้งชาติแหละเ <woo. S 2> พราะกิเลสยังมีเหตุใหเกิดอีกมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อย ลำพังการรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้กิเลสมาแผ่วพานก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆเพราะหมดแรงรักษาเมื่อใดกิเลสก็เข้ามาครอบงําจิตอีกอย่างพวกฤาษีชีไพรรักษาจิตเอาไว้ได้ดีไปเป็นพรหมพระพุทธเจ้าสอนเลยนะเป็นพรหมเนี่ยพอตายแล้วลงอบายเป็นจํานวนมากเพราะว่าโมัแต่รักษารักษาพอหมดแรงรักษาเนี่ยกิเลสมันคิดดอกเบี้ยย้อนหลังนะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรามาเรียนคือวิธีสู้กิเลสชนิดที่สม วิธีสู้ด้วยการรู้รู้ลงไปที่กิเลสกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันรู้ลงไปให้ถึงจิตถึงใจของเราเราไม่สู้กิเลสเราไม่รักษาจิตเราจะปล่อยให้จิตใจทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆขันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆอันนี้เรียกว่าเรารู้แจ้งทุกขสัจจะแล้วเมื่อเราเห็นขันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะ จิตจะสลัดคืนขันให้โลกไปตัณหาคือตัวสมุทยัยคือความอยากให้ขันมีสุขความอยากให้ขันพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละพวกเราชอบคิดแค่ว่าถ้าละสมุทัยได้จะไม่ทุกข์ละสมุทัยได้เนี่ยจิตใจไม่ทุกข์นะแต่ขันยังทุกข์อยู่แล้วถ้าเรายึดถือขันอยู่เราก็ต้องทุกข์ตามขันขึ้นมาอีกก็ต้องมาคอยละสมุทัยเป็นคราว ฉะนั้นการที่จะปฏิบัติด้วยการลักกิเลสหรือลัสมุทัยนะมันก็เหมือนไม่สบายแล้วกินพาราเซตามอลเป็นมะเร็งก็กินพาราเซตามอลปวดหัวก็กินพารานะเป็นฝีก็กินพารานะถ้ามาจเจริญสติจะแก้ที่ต้นตอของมันมันจะล้างอวิชชาล้างความเห็นผิดพอเราเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้คือขันเป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะสลัดคืนโลกไปความอยากให้ขันเป็นสุขความอยากให้ขันพ้นทุกข์จะไม่มีขึ้นอีก ตันหาจะไม่เกิดเมื่อตันหาไม่เกิดความทุกข์ทางใจที่จะซ้ำซ้อนขึ้นมาเพราะอำนาจของตันหาก็ไม่มีจะเหลือแต่ความทุกข์ของขันอย่างเดียวขันเป็นตัวทุกข์ขันอย่างไรก็ต้องเป็นตัวทุกข์พระอรหันต์ไม่ใช่คนที่ฝึกให้ขันซึ่งเป็นตัวทุกข์กลายเป็นตัวสุขได้แต่พระอรหันต คือผู้ที่เห็นความจริงว่าขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วสลัดคืนขันให้โลกไปจิตนี้ไม่กระเพื่อมหวนไหวเพราะขันอีกแล้วเพราะไม่ยึดถือขันพ้นทุกไปพ้นตรงนี้นะดำรงชีวิตอยู่เท่าที่เหลือจนกระทั่งวันที่สิ้นขันก็นิพพานนิพพานครั้งที่สองนิพพานครั้งที่หนึ่งเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานเรียกว่านิพพากิเลสหมายถึงว่ากิเลสไม่มาแผ่พานอีกแล้วเพราะว่าใจไม่ยึดถือขันกิเลสนะ อาศัยขันเป็นช่องทางเข้ามาแทรกแซงจิตใจเราอย่างเรามีขันเรารักขันเราก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ดิ้นรนขึ้นมาดิ้นรนอย่างคนดีบ้างดิ้นรนอย่างคนชั่วบ้างดิ้นรนอย่างคนดีก็มารักษากายรักษาใจนั่งสมาธิภาวนาดิ้นรนอย่างคนชั่วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสิ่งอื่นเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนธรรมชาติก็ดินด้นไป พอหมดความรักขันก็หมดความดิ้นรนจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขนิโรธก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นนิโรธคือสันตินะนิโรธหรือนิ พ, พานมีสภาวะธรรมรองรับสภาวะธรรมของนิ พ, พานคือสันติคือความสงบนั่นเองสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากทุกข์ฉะนั้นพอบรรลุพระอารหันต์สลัดคืนจิตให้โลกไปแล้วจิตเข้าถึงสันติสุขมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ มีความสุขอยู่ในตัวเองอิ่มเอิบเบิก บ, บานเรียกว่านิพพานกิเลสสะอุปาทิเศ ส, สนิพพานก็มีชีวิตอยู่ต่อไปขนานนามว่าพระอรหันต์กลัวตายไหมไม่กลัวถ้ากลัวตายเป็นโทสะพระอรหันต์อยากมีชีวิตอยู่ไหมไม่ได้อยากเพราะอยากเป็นโลภะถ้ามีโทสะมีโลภะได้ก็มีโมหะเนี่ยพระอรหันต์มีชีวิตอยู่แบบไหนพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้ว พระอาหารหันต์มีชีวิตอยู่เหมือนคนซื้อรับจ้างทำงานที่ยากๆทำงานเสร็จแล้วมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆปลอดปโปรง่งเพราะไม่มีงานจะทำรอวันรับแจ็คพอตรอรับโบนัสรอรับค่าจ้างค่าจ้างที่จะได้รับชื่อว่าอนุปาทิเสสนิ พ, พานความสิ้นขันพวกเราได้ยินว่าสิ้นขันเราก็กลัวจะตายแล้วนะแต่พระอาหารหันต์จะรอวันสิ้นขันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยความเกลียดชังร่างกายนี้ และไม่ได้อยู่ด้วยความรักและไม่ได้อยากจะอยู่ไม่ได้อยากจะตายอยู่อย่างมีสติมีปัญญาอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบผ่อนคลายรอวันที่สิ้นขัน